ความสนิทสนมสัมพันธ์ของกบเจ้าและวิมลมานทิดาช่างทองเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเวียนเข้าหาจุดมุ่งหมายเข้าทุกวันทุกวันเสมือนรอยเท้าโคที่เหยียบย่ำไปบนผืนนาในขณะลากแอกและไถมันบนเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของนาแปลงนั้นทุกๆรอบที่ย่างไปคนมีความรักจิตใจย่อมจดจ่ออยู่ในเรื่องรัก แม้จะสนทนาเรื่องใดๆก็มาจบลงที่คำว่ารักเสียทุกครั้งโดยเฉพาะความรักของหนุ่มวัยต้นความรักทำให้คนซึ่งกระด้างยาบคายกลายเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานมหาโจรใจเหี้ยมซึ่งฆ่าคนได้ยังไร้ความปรานีเมื่อถูกสเสนานางเข้าหรือรัดใจก็ต้องวางดาบแล้วคุกเข่าลงสารภาพ ร, รักกับสตรีตัวน้อย ซึ่งไม่เคยแม้แต่จะบี้มดกสติยาธิราชผู้พยองและทนงในศัก์เมื่อความรักเกิดขึ้นความทนงนั้นก็พลันหายกลายเป็นผู้รับใช้ของเธอซึ่งกำหัวใจไว้ได้นางผู้งามเฉิดเพลิดพรายเมื่อความรักกล่ำกลายแทรกซึมเข้าสู่หัวใจสิ่งที่เคยหวงแหนสุดถนอมไม่เคยยอมให้ใครมาก่อนก็ยอมพลีให้หมดสิ้น อาความรักช่างมีอิทธิพลอะไรเช่นนั้นในขณะที่ความรักของข้าพเจ้าและวิมลมานดำเนินไปด้วยดีเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้นั่นเองข่าวร้ายก็เกิดขึ้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงบนกลางใจของเราทั้งสอง เมื่อวันหนึ่งพระราชบิดาเรียกข้าพเจ้าเข้าเฝ้าจะตุรงขพลพระบิดาตราตอนหนึ่งระยะนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเจ้าหายไปไหนทุกวันทุกวันหามิได้เสด็จพ่อลูกอยู่แต่เห็นเสด็จพ่อมีพระราชภารกิจมากจึงไม่ได้มารบกวนข้าพเจ้าทูลใจไม่ค่อยดีนักได้ยินว่าไปชอบลูกสาวในช่างท้องอยู่ไม่ใช่หรือ ตรัสถามอย่างตรงไปตรงมาตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัวไม่นึกเลยว่าเสด็จพ่อจะทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังต่อไปรู้สึกเป็นทางดีสีด้วยซ้ำข้าพเจ้าจึงทูลรับว่าใช่พะยะค่ ะ, สะเสด็จพ่อทรงพระสวนเนยน้อ ย, อยมองข้าพเจ้าด้วยสายพระเนตรสงสารแกมสังเวชใจ ลูกคิดว่าพ่อจะไม่รู้อย่างนั้นหรือกบเจ้ายังคงก้มหน้านิ่งลูกรักเสด็จพ่อตรัสต่อไปอย่าว่าแต่เรื่องใกล้แค่นี้เลยเรื่องไกลถึงสุดปลายเขตแดงของเราพ่อก็ทราบ พ, พ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินหูพยาตากตริสัลูกจำไว้ย่อมได้ยินและเห็นไกลเสมอลูกรักเขามากหรือ สเสด็จพ่อทรงกลับมาถามเรื่องนี้ใหม่รักมากพยาค่ะเขาสมกับลูกดีหรือเขาสวยมากพยาค่ะลูกต้องการผู้หญิงสวยอย่างเดียวเท่านั้นหรือเขาดีด้วยพยาค่ะดีอย่างไรเล่าให้พ่อฟังได้ไหมกริยามารยาทดีสุภาพเรียบร้อยทํางานเก่งรู้จักข่มใจเมื่อโกรธพรยาค่ะ ถ้าพ่อจะหาคนอย่างนี้ให้ลูกจะเอาไหมลูกมีแล้วพะยะค่ะข้าพเจ้าตอบอย่างเกรงพระทัยตึมที่ลูกรู้ตัวไหมว่าลูกเป็นใครสเสด็จพ่อถามต่อไปทราบพะยะค่ะหม่อมชั้นเป็นลูกของสเสด็จพ่อและพ่อของลูกเป็นอะไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินพะยะค่ะแล้วลูกเป็นอะไรเป็นเจ้าชายพะยะค่ะ แล้วลูกสะภ้ยควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ค้าขายทองหรือทำทองขายตอนนี้ข้าพเจ้านิ่งข้าพเจ้าไม่เห็นสำคัญเลย จะเป็นเจ้าหญิงหรือหญิงหักฟืนขายก็มีความเป็นหญิงเท่าเทียมกันอวัยวะทุกส่วนของเจ้าหญิงไม่มีอะไรพิเศษหรือวิจิตพิสดารยิ่งไปกว่าหญิงขายขนมเบื้องเมื่อบาดเก็บเลือดที่ออกมาก็เป็นสีเดียวกันเจ้าหญิงก็รู้จักคิวกระหายและความรู้สึกอื่นๆเหมือนๆกัมน ม, น ม, นมนีความรู้สึกทางเพศรดเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปมนุษย์ในโลกนี้ เหมือนก้อนหินก้อนอิฐหลายๆลายก้อนที่ถูกนำไปวางในที่ต่างกันเท่านั้นก้อนหนึ่งวางอยู่บนยอดเจดีย์คนก็กราบไหว้บูชาอีกก้อนหนึ่งใช้ปูลาดถนนเป็นทางเดินคนก็เหยียบย่าแต่เนื้อแท้ของก้อนอิฐไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเจ้าหญิงอาจจะดีกว่ายิงธรรมดาก็ตรงที่มีโอกาสดีกว่าในการปรับปรุงตน และมีโอกาสในการศึกษาดีกว่าแต่คุณค่าของคนวัดกันที่ความประพฤติและน้ำใจมิใช่วัดกันที่ชาติระกูลเมื่อมองในแง่นี้เจ้าหญิงที่มีความประพฤติไม่ดีจิตใจต่ำก็ย่อมเป็นคนเลวเหมือนกับคนเลวอื่นๆข้าพเจ้าเองเป็นเจ้าชายแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าข้าพเจ้าจะวิเศษไปกว่าผู้ชายธรรมดาตรงไหนมีความรู้สึกสุขทุกข์ หิวกระหายและใคร่ในการมารมเหมือนกับเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนี่เพียงแต่ข้าพเจ้าคิดเท่านั้นนะท่านข้าพเจ้าไม่กล้าพูดอย่างนี้กับเสด็จพ่อดอกมันเป็นการห้าวหารและไร้มันญยาติเกินไปสำหรับบุตรที่ดีพ่อได้มองดูสตรีที่เหมาะสมกับลูกไ้แล้วเสด็จพ่อตรัสต่อไปด้วยสีพอพักเฉย เขาเป็นเจ้าหญิงที่มีทั้งความงามและความดีพร้อมพ่อเชื่อว่าเจ้าเห็นจะต้องชอบข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉยมิได้ทูลอะไรเสด็จพ่อเลยเมื่อพระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าเฉยอยู่จึงตรัสต่อไปว่าลูกรักพัญญาที่เหมาะสมมีความสําคัญในชีวิตมนุษย์เวลานี้ลูกอายุอย่างน้อยอาจจะถือความรักในวัยหนุ่มเป็นสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด แต่เมื่อลูกอายุมากกว่านี้ลูกจะเห็นเองว่าความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอในการที่จะครองชีวิตให้ราบรื่นแบบครอบครัวลูกจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางการศึกษาบุ ค, คลิกภาพความโน้มเอียงและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือความเหมาะสมทางสังคมหมายความว่าต้องให้สังคมยอมรับว่าถูกต้องเหมาะแล้วสมแล้ว ลูกยังต้องอยู่ในสังคมและสังคมที่ลูกอยู่นั้นมีใช่สังคมธรรมดาแต่เป็นสังคมชั้นสูงชายาของลูกจะต้องเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสนิทแนบเนียนลูกจะทนไหวหรือถ้าชายาอันเป็นที่รักของลูกถูกรังเกียจเยียดยามจากคนรอบด้านลูกต้องไม่ลืมว่าสังคมในเมืองเรายังมีการถือชั้นวรณนะ ถือชาติถือตระกูลกันอยู่อย่างรุนแรงพระราชบิดาทรงหยุดเพียงเท่านั้นคอยสังเกตรกิริยาของข้าไเจ้าว่าจะมีความรู้สึกประการใด ขปเจ้ายังคงนั่งเฉยแม้ปากจะมิได้พูดแต่ใจของขพเจ้าก็คิดคิดถึงตัวเองและวิมนต์มานยอดหญิงซึ่งขพเจ้ารักยังถอนตัวไม่ขึ้นทำไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจําของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนสับปลับและแปรผันทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดียตัวมิได้จะทําอะไรจะคิดอะไร ก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจําชนิดหนึ่งที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าจเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อผูกมัดตัวเองให้อึดอัดรำคาญมนุษย์ยิ่งจเจริญขึ้นก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์จะสู้สัตรยรัตชานบางประเภทไม่ได้ มันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอตัวอย่างเช่นฝูงวิหกนกกามนุษย์เราจเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่ต้องแบกไว้คือเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรตยินั้นเป็นภาระหนักอึ้งของมนุษยชาติสัตวรัดฉาน ตัดได้ไปอย่างหนึ่งคือเรื่องเกียตรติคงเหลือแต่เรื่องการรมและเรื่องกินนักพรตอย่างท่านนี้ตัดไปได้อีกอย่างคือเรื่องกามคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวปลดภาระไปได้อีกมากและการกินอย่างนักพรตกับการกินอย่างผู้บริโภคการรมก็ดูเหมือนจะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนานแน่นอยู่ด้วยความรู้สึกทางโลกยวิสัยเมื่อกิน บางทีก็กินเพื่อยั่วยุกามให้กำเริบและต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติมิใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณะความจริงร่างกายคนเราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศ และแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำต้องทำเหมือนโครหรือควายซึ่งเหนื่อยหนายต่อแอกและไถแต่จำใจต้องลากมันไปลากมันไปอนิจจา เมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่นานพระราชบิดาจึงตรัสขึ้นเหมือนทรงทราบถึงความคิดของข้าพเจ้าว่าลูกรักสังคมเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องสาคัญเมื่อลูกยังอยู่ในสังคมลูกก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมแม้ระเบียบแบบแผนนั้นบางอย่างเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจาเป็นเลยแต่เมื่อสังคมยอมรับปฏิบัติกันเสียแล้ว เราก็ต้องทำทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากทำพ่อเองเป็นกษัตริย์เป็นใหญ่นิมูชนแห่งแคว้นปัญจารนีแต่พ่อก็ยังต้องง้อสังคมทั้งๆ ท, ที่พ่อมีอิสระที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งเดิมทีมนุษย์เราก็อยู่กันอย่างสัตว์ป่าทั่วๆไปแต่เมื่อการเวลาล่วงมามนุษย์รู้จักอยู่กันเป็นหมู่เหล่า รู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพเดิมมาสู่สภาพใหม่อยู่เรื่อยๆการจัดระเบียบสังคมขึ้นนั้นเดิมทีก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับหมูนั้นคณะนั้นและการวางกฎเกณฑ์ของสังคมขึ้นก็เพื่อป้องกันมิให้คนเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อมิให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์เล็กอย่างพ่อนี้ถ้าเปรียบด้วยปลาพ่อก็เป็นปลาใหญ่ที่สุดในหนองนี้ และเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในป่านี้พ่อมีอำนาจสั่งประหารชีวิตคนได้โดยไม่มีใครกล้าขัดแยง้งแต่พ่อก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นใครทำผิดเรามีคณะผู้พิภาคษาพิจารณาความผิดเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาถแถลงเรื่องของตนซึ่งอาจถูกใส่ความก็ได้เกียรติของหมู่คณะหรือของสังคมนั้นอยู่ที่ความมีระเบียบลูกจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่า หมู่ใดคณะใดไม่มีระเบียบหมู่นั้นคณะนั้นก็ไร้เกียรติการจัดระบบสังคมก็เพื่อความมีระเบียบและระเบียบทำให้งามหน้าดูหน้าชมแตกต่างจากสัตว์รัตชาน ครอบครัวเป็นรากฐานของสังคมเป็นรากฐานของประเทศการปรับปรุงสังคมจึงต้องตั้งต้นไปจากครอบครัวถ้าสภาพทังครอบครัวคลอนแคลนเสียแล้วก็เหมือนเรือซึ่งมีรูร่วมากมายจะแล่นไปไกลได้สักเท่าใดแม้จะประดับประดาทงทิวตกแต่งอย่างสวยงามแต่ก็เพียงหลอกตาเท่านั้นคนในเรือโอลเวงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขได้อย่างไร ในครอบครัวแต่ละครอบครัวแม่บ้านหรือพัญญามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมีพัญญาดีเป็นสีแก่บ้านเรือนและลูกหลานมีพัญญาไม่ดีเหมือนนำขยะมูลฝอยมากองไว้ในบ้านลูกต้องคิดว่าสตรีที่จะมาร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกนั้นมิได้เป็นแต่เพียงชายาของลูกอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นแม่ของลูกเราด้วย ลูกที่มีแม่ดีมีสง่าราศีเป็นโชคดีของเด็กอย่างล้นเหลือลูกที่มีแม่ไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีแห่งสกุลเป็นการทรมานจิตใจลูกในอนาคตให้บอบชำ้ำ พระบิดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็หยุดอยู่ดูเหมือนพระองค์มีประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพูดบ้างข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะทูลเพราะไม่สนใจกับหญิงที่พระบิดาตรัสนั้นเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ว่าสเสด็จพ่อจะให้หม่อมชันอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงองค์ใดข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งในหาสตินนาปุระนครนี้เจ้าหญิงจุรารัตน แห่งสาคุ น, นครแควนมัทะพระราชบิดาตรัสอย่างภาคภูมิพระไทยความจริงก็เป็นเรื่องหน้าภาคภูมิอยู่นท่านเจ้าหญิงแห่งแควนมัทะได้รับความนิยมยกย่องอย่างสูงยิ่งว่างามที่สุดในชมพูทวีปจนถึงกับคติยานารีแห่งแคว้นนี้มักจะมีนามว่ามัททีหรือมัสซีอยู่เสมอแทนที่จะมีพระนามเฉพาะพระองค์ แต่กลับเฉลิมพระนามตามชื่อแคว้นเพื่อให้เป็นที่รู้ว่าเจ้าหญิงผู้มีพระนามว่ามัดสีนั้นมาจากแคว้นมัทะเป็นทินคนนามอย่างแท้จริงเหมือนม้าซึ่งมาจากแคว้นกัมโผชะก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าต้องเป็นม้าพันธ์ดีและผ้าซึ่งมาจากแคว้นกาสีซึ่งเรียกว่ากาสิกพัดจะได้ใช้ก็เฉพาะคนชั้นสูง มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นและแล้วสมเด็จพระราชบิดาได้นำพระราชสารการติดต่อระหว่างพระองค์และพระเจ้ากรุงสาคระให้ข้าพเจ้าดูใจความสาคัญในพระราชสารหลายฉบับก็คือเรื่องเจ้าหญิงจุลาลัตและข้าพเจ้าเมื่ออ่านพระราชสารแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเห็นพระไทยในความปรารถนาดีแห่งสมเด็จพระราชบิดาที่มีต่อข้าพเจ้าอันหนึ่งเล่า พระเจ้ากรุงสาคระก็มิใช่ใครอื่นคือพระสหายสนิทแห่งพระชนกนาฏของข้าพเจ้าเองท่านทั้งสองได้เจราจาตกลงกันเรียบร้อยแล้วในการที่จะให้ข้าพเจ้าและเจ้าหญิงจุลารัตอภิเสกสมรสกันลูกปรักพระบิดาตรัสในที่สุดเชื่อพ่อเถอะลูกควรจะอภิเสกกับเจ้าหญิงจุลารัตเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสม แห่งราชบัลลังก์ฮัสตินนาปุระต่อไปภายหน้าและลูกทั้งสองคือหมายถึงหลานจุลารัฐ ด, ด้วยจะเป็นเสมือนฉัดแก้วแห่งแคว้นมัทะและปัญจาละแต่ไม่เป็นไรยังมีเวลาอยู่อีกลูกไปคิดเสียให้ดีขปเจ้าออกจากที่เฝ้า ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้ารักอีกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้าต้องกตันอยู่สมเด็จพระราชบิดานั้นข้าพเจ้ารักด้วยและกระตันอยู่ด้วยส่วนวิมลมานข้าพเจ้าทั้งรักและสงสารยิ่งนึกถึงว่าข้าพเจ้าจะต้องอภิเสกกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์ด้วยแล้วกว่าให้รู้สึกสงสารจับใจดวงใจของเธอจะต้องชอกช้ำระบมสักเพียงใดหนอ ขปเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ขพเจ้าจะบอกความจริงแก่นางเสียทีดังนั้นเย็นวันนั้นเองขพเจ้าคงปลอมเป็นสุรนันทะมหาดเล็กไปบ้านช่างทองและได้พบนางผู้มีในตาคมแต่หวานมีใบหน้าเ อ, อิบอิ่มน่ารักน่าถนอมอยู่เสมอเราคงไปสนทนากันที่สวนหลังบ้านและที่ม้าหินอ่อนริมสระนั่นเอง ข้าเจ้ามีอาการตรองอย่างลึกซึ้งไม่ร่าเริงเหมือนอย่างเคยนางเห็นอาการดังนั้นจึงถามว่าสุรนันทะท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือจึงดูหมุ่นหมองไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเป็นแทนที่จะตอบคำถามของนางขป้าเจ้ากลับถามว่าที่รักถ้าขป้าเจ้ามีฐานะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะยังรักขป้าเจ้าอยู่หรือ นางตอบให้ข้าพเจ้าชื่นใจว่าไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจะเป็นคนวันนะตระกูลใดข้าพเจ้าก็คงรักท่านอย่างเดิมข้าพเจ้ามิได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุรนันทะตังหาฟังดูสิท่านเธอผู้นี้ชอบพูดสั้นๆแต่มีความหมายกินใจยิ่งนัก มิได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุระนันทะต่างหากช่างเป็นถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานและนุ่มนวลสินิกระไรความสงสารและความเห็นใจประดังขึ้นมาเต็มอกแต่ในที่สุดเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดนางไว้เพราะในไม่ช้านางจะต้องทราบเรื่องทั้งหมดกบเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้นางทราบ นางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจที่แรกๆดูเหมือนจะตื่นเต้นตกใจมากแต่แล้วก็ระงับไว้ได้ตามวิสัยแห่งสตรีที่มีความอดทนและมีจริยงาม เธอลดตัวลงจากม้าหินอ่อนทำความเคารพข้าพเจ้ายิ่งพลเมืองที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อเจ้าชายของตนและไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมแท่นอีกข้าพเจ้าต้องดึงแขนนางขึ้นมาพร้อมด้วยพูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าตรงที่เป็นสุรนันทะไม่ใช่เพราะวั น, นะตระกูลใดแต่เวลานี้นางพูดเงยหน้ามองข้าพเจ้ามีน้าตาเออที่บ้าตาทั้งสอง พระองค์ไม่ใช่สุรนันทะแต่เป็นเจ้าชายจตรุรงคพลราชทายาทแห่งหัสตินาปุระนครหม่อมชันเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นหม่อมชันไม่กล้าอาจเอื้อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้หม่อมชันเป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์เถิดข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางนั่งบนม้าหินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิม ต้องใช้เวลาวิงวอนเสียนานนางจึงยอมและขบัตเจ้าก็พูดปลอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไรขบัตเจ้าคงจะรักนางไม่สั่งสาคนเดียวที่ขบพตเจ้าขอมอบหัวใจทั้งหมดไว้ให้คือนางนั่นเองและขบัตเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าที่รักความสุขของขบัตเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่านขบัตเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียว ถ้าท่านโกรธและเกลียดข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะมีความทุกข์มื่นั้นตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขสุขเพราะระลึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะลำบากยากเข็ญหรือตกอยู่ณแห่งหนตําบลใดข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิต ขอให้ความรักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอรักท่านแต่ผู้เดียวสำหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกสมรสกับผู้อื่นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจำใจต้องทำเพราะเกรงพระไถยพระชนกนาถผู้มีพระคุณล้นเกล้าต่อข้าพเจ้า หน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บกพร่องส่วนหัวใจเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วย